บรรยากาศอย่างวันนี้ฝนตกทำให้นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลอีกอยู่เรื่องหนึ่งมีพระสอ์อยู่รูปหนึ่งท่านมีความสงสัยในธรรมก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้า พอไปถึงที่กุฏิฝนตกพอดีเพรานั้นท่านกันเลยยังไม่ได้ขึ้นไปรออยู่ข้างล่างก็เลยเห็นน้ำฝนเห็นเห็นน้ำที่ไหลลงมาจากหลังคาชายคาไหลลงมากระทบกับน้ำที่อยู่บนพื้นดินเป็นฟองแล้วก็แตกไปเป็นฟองแล้วก็แตกไป ท่านก็เลยบรรลุธรรมขึ้นมาท่านก็เลยหายสงสัยเลยไม่ต้องขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าของอย่างนี้ก็ทำให้คนบรรลุธรรมได้เห็นฟองน้ำน้ำที่ไหลลงจากชายคาหลังคาเรากระทบกับน้ำที่อยู่ บนพื้นดินก็เป็นฟองแล้วก็แตกหายไปเป็นฟองแล้วก็แตกหายไปก็เลยเห็นเห็นอนิจจาเห็นการเกิดดับแล้วก็เห็นอนัตตามาไปไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ ก็เลยบรรลุธรรมขึ้นมาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรมมาอนัตตาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยมมีเกิดแล้วก็มีดับสังขารคืออะไรของปรุงแต่งทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปและเป็นนาม สิ่งปรุงแต่งที่เป็นรูปก็วัตถุ ข, ข้าของบุคคลสัตว์สัตว์เดราชฉานมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดราชานของมนุษย์ข้าวของต่างๆบ้านปุติศาลาวิหารสมบัติต่างๆเป็นของปรุงแต่งเป็นของผสมประสานจาก ธาตุสี่นิ่นนําลงไปเป็นณัตตาการเกิดดับของเขาเป็นอนัตตาไม่มีใครไปยับยั้งได้ไม่มีใครไปสั่งได้เขาจะดับก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ดับจะไปสั่งให้เขาดับก็ไม่ได้ ทั้งรูปทั้งนามรูปก็คือเนี่ยของที่อยู่ภายนอกนามก็คือสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ใจรับรู้ทางั้งภายในเป็นอนิจจาเวทนาสัญญาหลังขานิยารก็เป็น อนิจจ่าเป็นอนัตตาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์สั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้เวลาทุกข์สั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องปวดศีรษะ ปวดแข้งปวดขาสั่งให้มันหายมันก็ไม่หายนอกจากรู้สาเหติก็มันเทามาให้มันหายได้เป็นบางครั้งบางเวลาถ้าไม่รู้สาเหติหร้วรู้สาเหติบางทีก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้อารมณ์ต่างๆที่มีในใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางวันก็สดใสเบิกบานยิ้มแย้มบางวันก็แข็งขึ u ซึมเศร้าสั่มันให้มันยิ้มแย้มแจ่มใสทุกวันก็ไม่ได้สั่ให้ความซึมเศร้าให้มันหายไปก็ไม่ได้เ <Yeah. S 1> yeah. นี่ยเรียกว่าสังขารเป็นสิ่งที่เกิดดักเกิดดับ เป็นอนัตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้บางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้อย่างฝนเนี่ยน้ำที่ไหลลงจากชายคาสั่งให้มันไม่ไหลลงมาก็ไม่ได้ไหลลงมาประทบกับน้ำที่อยู่บนดินเกิดเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็หับแล้วก็ดับไปร่างกายของเราก็เหมือนกับ น้าฟองน้ําเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นอนนาตาไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากก็จะทุกข์เพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากเวลาที่ไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์เวลาที่ได้ดังใจอยากก็ดีใจชัว่วคราว แต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอเวลาที่เราจะต้องไม่ได้นั่งใจอยากอยากได้แต่ไม่ได้อยากเสียแต่ไม่เสียอยากให้ความเจ็บหายไปมันไม่หายปวดแข่งปวดขาปวดอะไรหาวิธีรักษาแล้วยังไงมันก็ไม่หาย บรรลุธรรมขึ้นมาตอนต้นจะขึ้นไปถามพระพุทธเจ้าพอเห็นความจริงกับตาของตัวเองพิจารณาจนเข้าใจว่าทุกอย่างนี้เป็นเป็นธรรมชาติไปสั่งเขาไม่ได้เป็นเหมือนน้ำดินดินฟ้าอากาศก็เลยหายทุกข์ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจาไม่เที่ยงเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาก็จะปล่อยวางเพราะถ้าไปยึดไปติดไปไปต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะต้องทุกข์เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเสมอไปอ น, นี่คือเรื่องของ การบรรลุธรรมของแต่ละองค์นี่ไม่มีใครคาดคะเนได้ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ในเวลามันจะบรรลุเนี่ยถ้าไปตั้งใจให้มันบรรลุไม่บรรลุอย่างพระอานุนนี่รับใช้พระพุทธเจ้ามายี่สิบกว่าปีตอนนั้นได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันนะแต่ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติต่อ เราต้องคอยรับใช้พระพุทธเจ้าตลอดเวลาต้องเตรียมบาตรเตรียมทีวานต้องคอยเป็นในขาหน้าห้องใครจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องผ่านพระอานุ์ก่อนพระอนุนก็เลยติดอยู่ขั้นโสดาบันมายี่สิบกว่าปีพอพระพุทธเจ้าจากไป ก่อนจะจากไปพระพุทธเจ้าก็บอกอ น, นุนว่าเธออย่าเสียใจเดี๋ยวเธออีกสามเดือนเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แลตอนต้นก็เสียใจว่าไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะคอยสอนคอยคอยสั่งพระพเจ้าบอกไม่เป็นไรเธอบรรลุแน่เดี๋ยวอีกสามเดือนเราไม่อยู่เธอจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ อ น, อนนน์ก็เลยหลังจากที่เสร็จงานถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปรีกวิเว้วบมเพ็ญอยู่อย่างเข้มข้นทุกวันจนถึงวันสุดท้ายของสามเดือนก็ยังไม่บรรลุถึงคืนสุดท้ายก็ยิ่งวิตกใหญ่พยายามปฏิบัติสุดขีดเลยสติก็จดจอ่อ สมาธิก็ทำให้นิ่งปัญญาก็ฟิจนาะสัพเพสังขาระอนิจจาสัพเพธรมะอนัตตาสัพเพสังขาระทุกขาก็ยังไม่บรรลุเพราะใจตัวเองไปกังวลกับอดีตกับอนาคตอดีตก็คือคำทำานายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอานุน เยอะเธอสามเดือนเธอต้องบรรลุแน่ๆอนาคตก็คือนี่มันจะสามเดือนแล้วเลยไม่กี่ชั่วโมงถ้าสว่างก็แปลว่าครบสามเดือนก็ยังไม่บรรลุจนในที่สุดก็ใกล้จะสว่างก็เลยตรงว่าผมไม่บรรลุแน่ๆพระพุทธเจ้านี้คงจะทำลายผิด เป็นครั้งแรกก็เลยเลิกปฏิบัติเหนื่อยเทีย่ยวพวงนอนอก็เลยไปเตรียมตัวจะนอนอช่วงระหว่างที่กาลังระวางนั่งกับท่านั่งกับท่านอนนี่จิตก็บรรลุเพรา ะ, ะจิตตรงปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่การที่จะบรรลุก็ปล่อยความอยากที่จะบรรลุก็ปล่อย อวาอยากบรรลุ ก, ก็เป็นเป็นสมุทยัยเป็นตัวทําให้ใจทุกข์ใจไม่สบายเพราะไม่ได้อยากจะบรรลุแต่ไม่ได้บรรลุพอเห็นด้วยความเป็นจริงว่ามันไม่ได้บรรลุแน่ๆเหมือนกับเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาไรสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ก็เลย ตรงว่าอ้าวผมไม่ได้บรรลุแน่ๆก็เลยปล่อยความอยากบรรลุหยุดความอยากบรรลุพอความอยากหยุดปับ๊บความทุกข์ที่ขวางกั้นพระนิพพานก็ดับไปหายไปพอความทุกข์หายไปจิตก็หลุดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ท่านปล่อยหมดแล้วทุกอย่างมันเหลือแต่ตัวความอยากบรรลุนิพพานนี้ตัวเดียวหลังสังขารร่างกายก็ปล่อยแล้วเวทนาก็ปล่อยแล้วอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตก็ปล่อยแล้วแต่ไม่ได้มาปล่อยตัวนี้ตัวอัตตาตัวตนที่อยากจะบรรลุตัวสุดท้ายตัวอวิชชาตัวอยากที่ ถ้ายังมีความอยากหรือแสดงว่ายังมีตัวตนอยู่ตัวตนทําให้เกิดความอยากพอหยุดความอยากได้ตัวตนก็ดับไปอ ว, วิชาก็ดับไปก็เลยบรรลุขึ้นมานี่คือการบรรลุของพระในสมัยพุทธกาลแต่ละคนนี้บรรลุไม่เหมือนกัน พระอัญญาณโกนธัญะกับพระปัญจวคัคคีนี่ก็บรรลุในขณะที่ฟังธรรมพระเจ้าแสดงก็ทำมันเดียวกันอานิจจาทุกขังอนัตตาเหมือนกันพระพระอัญญาณโกนธัญะก็บรรลุเป็นคนแรกขั้นโสดาบันก่อนพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาขันห้า เ, าเข้าใจว่า ไม่เที่ยงทำไมร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนาก็ต้องมีมีมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์จะให้มันสุขอย่างเดียวจะให้มันไม่เจ็บไม่ให้มันไม่ทุกข์มันไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าไปอยากให้มันไม่ทุกข์ก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากให้ร่างกายไม่เจ็บ พอมันเจ็บก็ทุกขึ้นมาถ้ามันเจ็บแล้วอยากให้มันหายมันไม่หายเจ็บก็ทุกข์อีกเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะเจ็บมันก็เจ็บมันจะหายมันก็หายเพระนเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายแล้วจะไม่ทุกข์ ทกุก็คือความทุกทางใจเจ็บที่ร่างกายแต่ใจไม่ต้องทุกข์กับมันเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้สึกทางร่างกายคือเวทนาเปลี่ยนไปบางทีก็เจ็บบางทีก็ไม่เจ็บบางทีก็หิวหิวก็ก็เป็น ความเวทนาทุกเวทนาอย่างนี้ก็กินอิ่มก็เป็นสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาใช่หไหมเวลากินข้าวอิ่มนี่ห <Okay. S 1> น้ายิ้มแป้นกันทุกคน mm hmm. เวลาหิวนี่หน้าตาเหมือนยักษ์เลยเบึ้งตึงเลยเวลาที่เขาทาธุรกิจนี่ mm hmm. เขาน่าจะชวนมากินข้าวกันก่อน mm hmm. กินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยมาเซ็นสัญญา ถ้ายังไม่ได้กินข้าวนี่บางทีไม่อยากจะเซนตกลงกันไม่ได้เพราะตอนนั้นอารมณ์ไม่ดีพอกินข้าวอิ่มปั้มสร่างกายสบายใจก็สบายตามทีนี้จะให้เซนอะไรเซนเลยนี่คือขันห้าลร่างกายร่างกายนี้ มีทั้งนามมีทั้งรูปมีร่างกายเป็นรูปเป็นดินน้ํามลมไฟที่เกิดแก่เจ็บตะเกิดแกแล้วก็ตายแล้วก็มีความเจ็บความเจ็บนี้ก็เป็นนามเป็นเป็นเป็นความรู้สึกทางร่างกายร่างกายมีความรู้สึกสามแบบสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างอย่างตอนนี้พวกเราอยู่ตรเนี้ย จะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่เพราะไม่ไม่หิวไม่อะไระไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้จะว่าสุขก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้อิ่มเหมือนตอนที่กินข้าวใหม่ๆเวลาหิวเดี๋ยวหิวข้าวขึ้นมานี้ก็เรียกว่าทุกข์ก็เวทนาแล้วพอได้กินข้าวจนอิ่มก็เกิดสุขก็เวทนาขึ้นมา บางทีเราก็บังคับสั่งมันได้มันหิวก็กินข้าวมันให้มันพอกินอิ่มมันก็สุขขึ้นมามันร้อนเหงื่อออกมันก็ทุกข์พอได้อาบน้ำอาบท่าเย็นสบายก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่บางเวลามันทำไม่ได้เวลา เป็นไข้นี่จะให้มันหายปุ๊บปั๊บนี่มันไม่หายต้องหาหมอหายามากินพอกินแล้วก็บันเทาพอหายก็รู้สึกสุขขึ้นมาเวลาหายจากไข่เป็นไงรู้สึกสุขไหมเวลาเป็นไข่รู้สึกไงทุกไหมความรู้สึกสุขทุกเรียกว่าเวทนา มีสามแบบมีสุขมีทุกขเวทนามีสุขเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามร่างกายร่างกายไปอดอาหารขาดอาหารขึ้นมาก็ทุกขเวทนาอดน้ำหิวน้ำก็ทุกขเวทนาพอได้ดื่มน้ำได้รับประทาอาหารก็สุขเวทนาปากฏขึ้นมา นอนไม่พอก็ทุกขเวทนาเวลานอนไม่พอรู้สึกยังไงสุขไหมเวลานอนได้อิ่มเต็มที่ตื่ขึ้นมาสุขเวทนานี่ก็เวทนาบางทีเราก็สั่งมาได้บางทีเราก็สั่งมันไม่ได้บางทีอยากจะให้มันนอนแต่ น, นอนไม่หลับก็มีบางทีเครียดกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ๆๆๆ ไห้นอนนอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับพอต่อนพอไม่นอนก็พอต้องลุกมาทำนู่นทานี่ก็ไม่สุขละก็นอนไม่หลับขาดนอนดูความรู้สึกไม่ดีนี่คือเวทนาลูกกับเวทนานี่หรือสังขารความคิดของเราก็เหมือนกัน บางทีคิดไปในทางทำให้เราสุขก็มีคิดไปในทางทำให้เราทุกข์ก็มีถ้าคิดไปในทางความอยากนีม่มักแคททำให้เราทุขกข์เป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างฝนนี่อยากจะให้มันหยุดย้ําไม่อยากให้มันตกตอนนี้ถ้าไปอย่ากแล้มันก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าคิดไปในทาง ว่ามันเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ลินฝ้าอากาศมันจะตกก็ตกมันมันไม่ตกจะไปสั่งให้มันตกก็ไม่ได้มันตกแล้วจะห้ามมันไม่ให้มันตกก็ไม่ได้ก็อย่าไปคิดทางความอยากก็จะไม่ถูกสัญญาความจำก็เหมือนกันจะชอบไปจำผิดจำของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรา อยาว่าคนนั้นคนนี้เป็นของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราขึ้นมาก็ทุกข์ึ้นมากลายเป็นของคนอื่นไปเงินนี้เป็นของเราอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปก็ทุกข์พอไปคิดว่าเป็นของเราเป็นของเขาแล้วมันเป็นของเราได้ไงถ้าเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราสิ ถ้ามันไม่ได้อยู่กับเราก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วของทุกอย่างที่อยู่กับเราตอนนี้ต่อไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเป่าแล้วมันจะเป็นของเราได้อย่างไรเราต้องมาแก้ความจำใหม่เปลี่ยนความจำเนี่ยให้จำให้ให้จำว่ามันเป็นมันมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์ ให้มาแก้ความจําให้แก้ว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ตลอดเวลาสั่งได้บางเวลาควบคุมได้บางเวลาตอนนี้ลูกเนี่ยสั่งมันได้ควบคุมมันได้เพราะตอนนี้มันยังตั้งพื่อเราอยู่มันยังหากินของมันเองไม่ได้ เนี่ยต่อไปพอมันหากินมันได้มันไปแล้วแหละมันไม่อยากจะให้เราสั่งมันละมันไม่อยากจะอยู่กับเรานะมันอยากจะเป็นอิสระละเนี่ยคือแก้ความจำเส้นใหม่สัญญาจําผิดไปจําว่ารูปเสียงกลิ่นรสเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราเห็นอะไรก็ว่าเที่ยงเห็นอะไรก็ว่าสุข เห็นอะไรว่าเป็นจะเป็นของเราไปตลอดได้มาแล้วต้องเป็นของเราตลอดเห็นกระเป๋าในร้านนี้เห็นแล้วสุขได้มาแล้วพอได้มาแล้วเดี๋ยวเดียวสุขนั้นก็หายไปแล้วถ้าถ้ากระเป๋าหายก็ทุกข์ก็ตามมาเพราะมันไม่ได้เป็นของเราเสียแล้วเงินมาได้มาก็สุขพอหายไปก็ทุกข์ มันเที่งไหมถ้ามันเที่ยงมันก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเราสั่งมันได้สั่งให้มันอยู่กับเราสั่งให้มันไปแต่นี่เราสั่งสั่งให้มันไปได้แต่สั่งให้มันอยู่ไม่ได้เงินนี่เราสั่งให้มันไปได้ไปที่ร้านซื olmaz, ้อของแป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่ส <ira> ั er que, ่งให้มันมาไม่ได้แต่นี่ ให้พิจารณาคิดอย่างนี้นะแล้วมนุษย์ทำจะรวดเร็ว<ม>เห็นทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา<ม>ถ้าไ่อยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของเราแล้วจะทุกข<ม>์เราไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเรามาเปลี่ยนใจเราตัวเดียวเปลี่ยนความหนงของเราให้เป็นความจริงให้เห็นความจริง วิปัสสนาแปลว่าการเห็นความจริงเห็นรู้แจ้งเห็นจริงวิปัสสนาตอนนี้เราเห็นตามความหลงเหมือนเราสายแว่นตาสีแดงสีชมพูคนชอบสายแว่นตาสีชมพูเวลาเห็นผ้ามันเป็นชมพูไปหมดนะมันไม่ได้เป็นเขียวเป็นแดงเป็นขาวเห็นอะไรนี่มันจะมีสีชมพูอยู่ ก็มองไม่เห็นตามความเป็นจริงสีจริงไม่เห็นเห็นสีผสมชมพูไปหมดความหลงมันก็เหมือนกับแว่นที่มันมาครอบใจเราทำให้เราเห็นกับตละปัดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นทุกว่าเป็นสุขเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราอะไรที่ไม่เที่ยงก็สังขารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยลาบยศสารเสรินรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นสังขารใช่ไหมมันเป็นการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลาบคือเงินทองเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากดินน้ำลมไฟเอากระดาษมานี่ก่อนจะเป็นกระดาษได้มันก็ต้อง มันต้องมาจากต้นไม้ก็เอาต้นไม้เนี่ยมาทำกระดาษก็ต้องมีน้ำมีดินมีไฟมาผสมกันผลิตสินค้าต่างๆนี้โรงงานแทบทุกโรงงานนี้เวลาจะผลิตสินค้านี้ต้องมีน้ำมีไฟต้องมีดินมีลมมันถึงจะสามารถผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาได้ ถ้ามันมีการผสมปรุงแต่งด้วยดินน้ำลนไฟเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสื่อมเพราะดินน้ำลนไฟมันจะแยกออกจากกันต่อไปมันจะไม่อยู่ด้วยกันไปตลอดนะพยายามใช้ปัญญาปัญญานี่เราใช้ได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราอยู่ในสมาธิหรือเวลาที่เรานอนท่านตอนนั้นใช้ปัญญาไม่ได้ เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาไม่นอนนี้ใช้ปัญญาได้แต่ใช้ไม่เป็นเห็นอะไรก็เป็นสุขขึ้นมาเห็นอะไรก็เป็นอยากจะให้มันเที่ยงขึ้นมาอยากจะให้มันเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยเห็นไม่ตรงความเป็นจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรา หากใช้ปัญญาคิดอย่างนี้เรื่อย ๆ, ๆเปรียบเทียบของที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเอาไปเปรียบเทียบกับของที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเช่นน้ำฝนนี่น้ำฝนที่ตกมาจากชายคาแล้วลงไปกระทบกับดินเนี่ยกับพื้นดินกับน้ำที่อยู่บนพื้นดินเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกหายไปเห็นไหม ตฟองมันมาจากไหนมันก็มาจากน้ำใช่ไหมน้ำแล้วก็มีลมอยู่ข้างในฟองถึงเป็นฟองได้ก็เป็นสังขารใช่ไหมสังขารที่เกิดแล้วก็ดับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนฟองเอาดินเอาน้ำเอาลมมาไฟมาผสมกันก็เลยเป็นร่างกายขึ้นมาเป็นอาการสาสิบสองขึ้นมา เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้ามเป็นหัวใจเป็นเป็นตับเป็นไตเป็นไตเป็นตับเป็นปอดเป็นไตเป็นพังผืดเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเป็นอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นสมองศีรษะเป็นน้ำดี น้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหมือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้คอน้ำมูดนี่คืออาการสาสิบสองคือร่างกายร่างกายถ้าไม่มีอาการสาสองนี้มันก็หายไปหมดเวลาคนตายอาการสามสิสองหายไปหมด กายเป็นดินน้ำลมไฟน้ำที่อยู่ในร่างกายก็ไหลออกมาไปอยู่ในร่างกายก็หายไปร่างกายคนตายกับร่างกายคนเป็นมองไปจับเลยอันไหนร้อนอันไหนไม่ร้อนคนตายนี่มันยังอุ่นนะคนเป็นนี่ยังอุ่นนะคนตายนี่เย็นเหมือนกับไม้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไฟไม่มีแล้ว นมก็เหย อ, ออกมามกลิ่นที่เหย อ, ออกมาจากร่างกายนี้ก็ลมทานลมน้ำก็ไหลออกมาทิ้งไปนานๆข้ร่างกายก็แห้งกรอบผุพังไปกลายเป็นดินไปให้พิจารณาร่างกายอย่างนี้จะได้เห็นชัดว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำนมไฟ จะได้ไม่ไปหลงอะตอนนี้ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราะตัวเราเราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราท่านเองไปคิดว่าเป็นของเราของต่งางๆที่ซื้อมาก็ไปคิดว่าเป็นของเราแล้ววันดีคืนดีมันหายไปมันก็ไม่เลยเป็นของเราแล้วความคิดกับความจริงมันตรงกันไหมไม่ตรงร่างกายเวลาตายไปแล้ matter, วมันเป็นของเราหรือเปล่าเป็นตัวเราหรือเปล่า ร่างกายตายไปแล้วยังอยู่เนี่ยเรามีร่างกายมาไม่รู้กี่ร่างแล้วไมเรายังไม่เราไม่หายไปสัทียังมีอยู่ตลอดเวลาเองแต่เราจําไม่ได้นะว่าร่างกายอันก่อนเป็นอะไรเป็นหมาหรือเป็นแมวเป็นนกหรือเป็นอะไรเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วเราเลึกชาติไม่ได้พระพุทธเจ้าเราลึกชาติได้ชาติก่อนเคยเป็นพระเวสสันดรเคยเป็นพระมหาชานก กลรเป็นพระไดมีสิบชาติพระเจ้าสิบชาตินี้ก็คือชาติต่างๆของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าย้อนอดีตได้นึกถึงชาติก่อนๆได้แล้วก็มาเล่าให้เราพวกเราฟังกันเราชาติก่อนเราเป็นอย่างนั้นชาติก่อนเราเป็นอย่างนี้กคยเป็นสิงโตเคยเป็นอะไรเคยเป็นสิงโตก็ต่ายตต่มตัวเนี่ยก็ตายนอนอยู่ใต้โคนต้นไม้ หยุดตายต้นคนต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาก็ตกใจตื่นก็แผ่นดินทล่มวิ่งตะลอดเปิดเป่าสันเอื่นเห็นข้าว่าถามเกิดอะไรขึ้นัแผ่นดินทล่มแผ่นดินทล่มสันเอื่นก็ตกใจวิ่งกันต่างกันไปใหญ่ไปเจอราชสีราชสีบอกให้ไปไหนกันเนี่ยแผ่นดินทล่มถล่มตรงไหนให้พาไปดูหน่อยสิตอนต้นก็ไม่กล้าไปแต่พอ เห็นราชาสีก็กลัวราชาสีจะกัดเอาก็เลยต้องกลับไปไปดูที่แผ่นดินถล่มไปถึงราชาสีก็เห็นว่ า, ามีแค่ลูกตาลหล่นลงมาคว่าราชสีนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าในอดีตมีปัญญาไม่ได้เป็นกระต่ายตื่นตูงไม่รู้จริงก็บอกแล้วนี่อย่าไปอ้างเรานเดี๋ยวเกิดเราจำผิด เนี่ยคือบางคนระลึกชาติได้เขาจาได้ว่าชาติก่อนเขาเคยเป็นอะไรพวกราลึกชาติได้เขาถึงจะรู้ว่าร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเขาของเขาเดี๋ยวก็ต้องตายไปเดี๋ยวเขาก็เลยไปไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อแต่เขาก็ยังหยุดความทุกข์ไม่ได้เขายังไม่รู้ว่าอะไรทําให้เขามาเกิดน เขาก็ต้องรอพระพุทธเจ้ามาตัดสัูงมาบอกว่าการมาเกิดอยู่เรื่อยๆนี้เกิดจากความอยากความอยากก็เกิดจากความหนุนหนคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขก็เลยอยากได้ใช่ไหมพออยากได้พอเสียไปก็กลับมาเกิดใหม่พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่พอยังอยากได้ความสุขแต่พอเห็นความมันความจริงแล้วมันไม่สุขมันทุกข์ มันเป็นสุขปลอมมันเป็นสุขเคลือบความทุกข์ไว้เหมือนน้ําตาลเคลือบยาขมเนี่ยพอรู้ว่าเป็นน้ําตาลเคลือบยาขมก็ไม่อมมันดีกว่าอมเน๋ยวเดียวเดียเด๋ยวก็ต้องเจอความขมละเอาน้ําตาลล้วนๆดีกว่านี่คือต้องเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหม อมไมเดียวเดียวมันก็หายไปหมดแล้วน้ำตาลแต่างงานใหม่ๆนี่หวานเจี๊ยบเลยเหมือนน้าพึ่งพระจันทร์ก็เ 6, นี่ยพอหกหลังจากหกเดือนก็กลายเป็นน้ําขมพระจันทร์ละเกินไม่เข้าคายไม่ออกจะเกินก็เกินไม่ลงจะคายออกก็คายไม่ได้เพราะมันแต่งงานกันแล้วปุบปับจะเลิกกันแลยมันก็ ไม่ได้เด palm, homem, ี๋ยวชาวบ้านก็จะเขาก็จะงงม่าแต่งงานออกบัตรเชิญเลี้ยงงานฉลองการใหญ่โตอยู่ๆก็จะเล่ากันแสดงว่าเป็นเหมือนเด็กกก็อยากันไม่ได้ก็เลยต้องทนอยู่กันไปแต่อยู่แบบยาขมอมเกินก็เกินไม่ลงคายก็คลายไม่ออกอยากันก็อยาไม่ได้ อยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขเนอ่ยนี่ยเออันนี้ออจามนะเที่ยงไม่เที่ยงน้ำพึ่งพระจันทร์นี่เที่ยงไม่เที่ยงนมองข้าวมันยังไม่ทันดำเลยน้ําพึ่งพระจันทร์บูดจะนะเนี่ย <c oughs> พวกเราไม่ยอมมองความไม่เที่ยงกันมองเห็นอะไรคิดว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมนได้อะไรมามันต้อง เป็นอย่างนั้นไปตลอดจะให้คาวามสุขเราไปเรื่อยจะเป็นของเราไปเรื่อยจะไม่จากเราไปพอวันดีคืนดีมันจากเราไปไม่ได้เป็นของเราขึ้นมาใหม่ๆก็สั่งมันได้สั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสั่งให้ชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้า อยู่ไปสักพักหนึ่งสามก็ไม่ไม่ไม่ไม่ยอมเชียอจียนกก็ไม่เป็นนกน่ะสั่งให้ทําอะไรก็ไม่ทำน่ะทําเองเลย <c oughs> <c oughs> เย <c oughs> เที่ยงไม่เที่ยงพอต้องทําเองเลยสุขหรทุกข์อ่ะไม่รักแล้ว <c oughs> ล่ลวลวเหรอเมื่อ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่สั่งให้ทําเลยทําหมดเนี่ยวันนี้สั่งหน่อยไม่ไม่ไม่ยอมทําให้ละ ไม่ว่าความสุขกรเลยการเป็นความทุกข์ไปเพราะเขาเปลี่ยนไปเขาเคยสั่งได้อันนี้สั่งไม่ได้ใช่ไหเนี่นี่คือปัญญาทั้งนั้นเนี่ยคิดได้ตลอดเวลาแต่ไม่คิดกันเน่คิดแต่ว่าจะได้มากขึ้นจะอยู่กับเรานา น, านจะไม่จากเราไป คิดอยู่แต่เรื่องเนี้ยจะทํำไงให้เงินทองอยู่กับเราให้มันมีมากขึ้นให้เร า, เามีความสุขตลอดเวลาถ้าหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่มีความสุขตลอ ด, ดลวเวลาบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์สลับกันตาร่างกายเนี่ยมันก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางวันมันก็สุขบางวันก็ทุกข์ใจก็เลยสุขทุกข์ไปกับมัน เพราะหลงไปคิดว่ามันเป็นใจถ้าใจรู้ฉลาดแยกออกจากร่างกายได้ก็จะไม่ทุกข์ไม่สุขกับร่างกายร่างกายสุขก็เรื่องของมันร่างกายทุกข์ก็เรื่องของมันอย่าให้มันมาลบกวนใจเราก็พอใจเราเฉยๆตลอดเวลาได้จะเฉยได้ก็ต้องมีปัญญานี่แหละที่เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างต้องเป็นทุกข์ ไม่ช้าก็เร็วตอนนี้ไม่ทุกข์เดี๋ยวมันก็ทุกข์ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราทุกข์ให้หัดคินอย่างนี้เนี่ยปัญญาพิพจารณาได้ตลอดเวลาอต่ที่ไม่พิจารณากันก็เพราะว่าใจไม่มีไม่มีความสงบใจไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดในทางกิเลสได้ ใจมันชอบคิดไปในทางว่าสุขว่าเป็นของเราว่าเทีย่ยงจึงต้องมาทําสมาธิก่อนมาล้างมาล้างความคิดเก่าออกไปก่อนเวลาจิตสงบนี่ความคิดต่างๆหยุดคิดไปพอออกจากสมาธิมาพอมันจะคิดไปในทางเก่าว่าสั่งให้มันไปคิดในทางใหม่พอมันจะคิดว่าสุขก็ต้องมันสู้บอกให้ hey, ไม่สุนะกนะทุกข์นะ เป็นความสุขปลอมนะความสุขเคลือบด้วยน้ำตาเครือบด้วยน้าตาเนะีเดี๋ยวก็ต้องหลั่งน้ำตาเดี๋ยวก็ต้องร้องไห้เพราะของที่เราได้มานี้มันไม่เที่ยงนะเนี่ยเนื้อมันเปลี่ยนไปเนื้อมันดับไปเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะให้คิดอย่างนี้หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วพออยากได้อะไรก็บอกไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะ สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันก็เลยจะไม่เอาดีกว่าไม่อยากดีกว่าพอมไม่อยากใจก็ไม่ทุกข์เพราะทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากนี่พออยากได้อะไรแล้วสุขไหมอยากสุกมะลินี่ไม่ได้สุกมะลสุขไหอยากกินกาแฟไม่ได้กินกาแฟนี่สุขไหมอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวนี่สุขไหม อยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวต้องอยู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงเหงาไหมเพื่อนเขาไปเที่ยวกันสนุกสนานแต่เราไม่มีเงินไปเที่ยวกับเขาต้องอยู่บ้านหรือต้องไปทํางานนี้สุขหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวก็ไม่เหนื่อยนอนอยู่บ้านสบายพักผ่อนหลับนอนไม่เหน็ดเหนื่อยไปเที่ยวเหนื่อยกว่าไปเที่ยวต้องเสียเงินแล้วยังต้องเสียแรงอีกใช่ไหม เที่ยวเสร็จก็อยากจะกลับมาบ้านนอนคนไม่เที่ยวก็ไม่ต้องไปเหนื่อยยากไม่ต้องเสียเงินเสียทองอแต่คิดไม่เป็นคิดไปนในทางปัญญาคิดไม่เป็นก็ไม่มีสมาธิหยุดความคิดในทางกิเลสพอพ อ, อ, อ, อ, อคิดทีไรนะคิดไปในทางกิเลสทันทอนนีอยากได้นู่นอยากได้นี่พอได้มาแล้วจะมีความสุขอยากทํำนั่นอยากทํานี่ทําแล้วจะมีความสุขะ นั่นมันสุกก็เป่าสุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวพอกลับมาบ้านหายไปหมดแล้วตามสุกไปซื้อช้อปปิ้งมาของเต็มบ้านเลยเวลาซื้อนี่โอย ส, สนุกสนานมันพอกลับมาถึงบ้านหายไปหมดเหนื่อยข้าวของบางทีก็วางไว้ไม่ได้ไปสนใจแกะเก็บแล้วมาดูเหนื่อยหรือมีอย่างอื่นต้องทนะอํานะแต่บางคนซื้อไม่ได้ซื้อเพราะจะมาใช้หรอก ซื้อเพราะมันทรมานใจถ้าไม่ได้ซื้อพอมันอยากแล้วมันต้องซื้อพอซื้อมาแล้วก็มาโยนทิ้ไว้ที่บ้านบางทีไม่ได้แกะกล่องไม่ได้เลยซื้อได้น้ําไปแต่เห็นแล้วมันอดไม่ได้พอมันมีเงินมันก็เลยต้องซื้อถ้าไม่ซื้อแล้วมันร้อนกระเป๋าร้อนไม่หมดลองเอาเงินออกจากกระเป๋ามันถึงจะหายร้อน เนี่ยความอยากมันไม่ได้ทำให้เราสุขหรอกมันทำให้เราทุกข์แต่การทำตามความอยากมันทำให้ความอยากมันหยุดไปชั่วคราวก็เลยคิดว่าเป็นความสุขขึ้นมาแต่มันหยุดไปเดียวเดียวเดี๋ยวไปเห็นของใหม่ก็อยากขึ้นมาใหม่กเดี๋ยวมีรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยว i p h o n สิบมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กระเป๋าร้อนขึ้นใหม่มเลยไอโฟนไอโฟนเจไม่มีความหมายะ แต่เมื่อสองปีก่อนเวลาสเเห็น i อโฟนเจ็ดออกมาก็เหมือนกับเห็น i อโฟนสิบตอนนี้ไหมเหมือนกันเนี่ยไอไอไอโฟนสิบอีกสองปีมันก็จะเหมือนกับ i อโฟนเจ็ดในตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้นก็มี i อโฟนสิบเอดสิบสองออกมาอีกแล้วนี่มันก็หลอกเราไปเรื่อยๆหลอกให้เราอยากไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราไม่มีปัญญากิเลสมันจะดึงให้เราไปคิดว่าดีดีสุขได้มาแล้วดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ต่อไป ไม่ต้องใส่พาสเแล้วเห็นหน้าเรามันก็จาเราได้ไอโฟนสิบมันไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเห็นหน้าเราป๊บต่อไปพวกเขาจะถ่ายรูปเราแล้วก็ไปขโมยโทรศัพท์เราใช้ได้ <laughs> แต่เขาบอกใช้รูปไม่ได้ต้องของจริงอของจริงก็ดีถ้าเกิดเขาจับเราไปเรียกค่าถ่ายนี่เขาก็ไม่ต้องบังคับให้เรา เอาพาสกว่รเอาโทรศัพท์จอหน้าเราก็เข้าไปได้นะนี่คิดทางปัญญาแต่คิดไม่ได้หรอกถึงบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนนะพวกที่ถามว่าจะคิดไปทางปัญญาได้เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลาแต่มันไม่คิดกันมันคิดไม่ได้กําลังของกิเลสมันแรงกว่า เห็นอะไรก็เป็นสุเนี่ก็เป็นกิเลสแล้ว้าจะคิดทางปัญญาเราเห็นว่าเห็น อ, อะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสุขปลอมสุขเดียวเดียวสุขที่ไม่เที่ยงสุขที่เราสั่งมันไม่ได้ให้มันสุขตลอดเวลาไม่ได้เป็นสุขปลอมเดี๋ยวมันวันดีคืนดีมันก็หายไปนะวันดีคืนดีมันก็เปลี่ยนไป เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันสุขไปตลอดเวลาไม่ได้ถ้าซื้อของแล้สุขมันซื้อหนเดียวก็ต้องพอใช่ไหมก็มีความสุขแล้วไปซื้ออะไรมาอีกอ่ะยิ่ต้องไปซื้อใหม่เพราะความสุขที่ได้จากของเก่ามันหายไปแล้วเลยต้องไปเอาความสุขจากของใหม่ต่อไปที่ไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยนี่ก็เพราะอะไรเที่ยวแล้วความสุขที่ไปเที่ยวมันก็หมดไปถ้ามันยังอยู่มันก็ไม่ต้องไปเที่ยวใช่ไหม ที่เราไปเที่ยวเพราะเราต้องการความสุขถ้ามันมีความสุขจริงกลับมาบ้านมันก็ยังต้องสุกเอเราก็ต้องอยู่บ้านได้อย่างสบายไม่ต้องไปเที่ยวกันแต่มันเป็นสุขปลอมใช่ไหมสุขที่ไม่เที่ยงไปเที่ยวก็สุขพอกลับมาบ้านก็หายไปแล้วพอหายไปบ้านอยู่บ้านก็เบื่อก็ทุกข์เอีก็ก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่เนี่ยของทุกอย่างความสุขทุกอย่างที่เราได้นี่เป็นความสุข ั น, นิจจาเป็นความสุขชั่วคราวให้ความสุขกับเราเพียงชั่วคราวต่อให้ได้มามั่งน้อยเพียงไรมันก็จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเราก็ถูกหลอกมาตั้งแต่เด็กครับได้ขนมกินก็สุกกันอยากกินไ้ติมลองแม่ขอห้ติมแนะม่มซื้อห้ติมให้กินก็สุกกันแล้วเดี๋ยวเจอขนมอย่างอื่ยแม่ของขนมด้วย ขอนุน่นขอนี่ขอชอ็ช อ, ชอกกแลตช็อกช็อกโกแลตขอของเล่นขอตุ๊กตาขอจักรยานขออะไรเห็นอะไรก็ขอไปก็คิดว่าได้มันล้วจะสุขก็สุกเดี๋ยวเดียวขี่จักรยานสองสามวันก็ขี้เกียจขี่แนละ้ตุ๊ตกตาได้มาก็เล่นอยู่มันสองสามทีเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเดี๋ยวก็ทิ้ง เราถูกกิเลสหลอกมาตั้งแต่เด็กเราเคยคิดทางปัญญาเมื่อนี้ไม่มีเคยคิดทางปัญญาเลยเห็นอะไรก็อยากได้นี่แสดงว่าหลงนะไม่มีปัญญาละเห็นอะไรต้องไม่อยากได้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาเห็นอะไรที่คนอื่นเขาอยากได้แล้วเราไม่อยากได้นี่เรียกว่าปัญญาอันนี้เห็นเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นเขาเห็นอะไรเข า, า ก, ก็อยากได้เราก็อยากได้เหมือนเขาก็หลงด้วยกัน เพราะเราไม่มีสมาธิหยุดความคิดไปในทางนี้แต่ถ้าเรามานั่งสมาธิได้เราจะหยุดความคิดไปทางกิเลสหยุดพอออกจากสมาธิมาตอนออกมาใหม่ๆ ม, มันก็ยังไม่คิดไปทางกิเลสเพราะยังไม่มีกำลังเพราะกำลังของสติมันมีมากกว่า ต, ตอนนั้นนะเราจะคิดไปทางปัญญาได้เห็นอะไรอยากได้อะไรก็แมวเป็นทุกข์ แต่ถ้าเอามานานๆเข้าเดี๋ยวลืมละเดี๋ยวกําลังกิเลสมากขึ้นละเดี๋ยวเห็นอะไรเป็นสุขละพอเห็นอะไรเป็นสุกก็ต้องหยุดละกลับไปต้องเข้าไปนั่งสมาธิใหม่พอมันกําลังของกิเลสมันกลับมาละเพราะกําลังของสมาธินี้ไม่ได้ทําลายมันเพียงแต่หยุดมันมันลถเนี่ยพอเราเหยียบเบร km ันก็หยุดรถที่ไหลลงเขาเนี่ยพอเหยียบเบร km ันก็หยุด พอเรปล่อยเบรปมันก็ค่อยๆเริ่มไหลใหม่เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆก็เหมือนปล่อยเบรคเอาจากสมาธินี้ใหม่ๆยังไม่หิวยังไม่อยากเดีย๋ยวสักพักเริ่มอยากก็สิเริ่มเห็นว่าดีแล้วสิเริ่มเห็นว่าสุกแล้วสิเริ่มอยากได้แนละ้วพอมันเริ่มเป็นทางกิเลสแล้วถ้าเราไม่เอาปัญญามาสู้มันไม่ได้ก็เราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ เนี่ยจึงต้องมีสมาธิแล้วไม่มีสมาธิไม่มีทางที่จะคิดไปในทางปัญญาได้คิดได้แว บ, บเดียวเห็นกระเป๋าแก้งบอกเอ้ยทุกข์นะทุกข์เดี๋ยวเดียวเดียเด๋ย ว, เ, ยวเพ้อก็สุก ข, ขึ้นมาเดี๋ยวก็ทนไม่ได้อยู่ดียิ่งคิดบ่อยๆเข้ามันยิ่งอยากใจยิ่งร้อนมือม่ยิ่งคันไม้มสั่นไปหมดเนี่ยพอได้มาต้องซื้อพอซื้อมาแล้วมันหายสัน่น หายคันชั่วคราวเดี๋ยวไปเจอของใหม่ก็สั่นขึ้นมาใหม่คันขึ้นมาใหม่เมือ่อวานนี้มีเพื่อนที่ก็ขายกระเป๋าขายของมาใส่บาทเห็นเจอเขากะเนี่ยนี่คือเรื่องของปัญญาที่คนชอบถามว่าจะพิจารณาปัญญาได้เมื่อไหร่ก็พิจารณาเมื่อไหร่ได้ก็พิจารณาไปเลยสิ แต่ไม่เห็นมันพิจารณากันไม่ได้ก็เลยต้องบอกว่าต้องทําสมาธิก่อนถ้าทําสมาธิแล้วถึงจะสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็คิดไม่ได้แล้วจะคิดไปในทางปัญญาได้ก็ต้องหัดต้องมาต้องมาฝึกคิดก่อนถ้าไม่เคยฝึกคิดพอมาจากสมาธิมันก็คิดไปในทางปัญญาไม่เป็นเหมือนกับมีรถจักรยานแต่ขี่ไม่เป็นนี้ ก็ขี่ไม่ได้ก็ต้องมาหัดขี่ก็ต้องมาหัดคิดการจะหัดคิดก็ต้องบังคับการจะหัดขี่จักรยานนี่อยู่ดีๆมันจะมันจะไปขี่เองขึ้นมาเปล่ามันต้องบังคับเออไปหัดขี่จักรยานหัดขับรถอันนี้ก็เหมือนกันถึงว่า ต, ตอนนี้เราไม่มีสมาธิเราก็หัดคิดไปในทางปัญญาก่อนพยายามคิดอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้ายังคิดไม่เป็นก็ต้องมาฟังทมก่อนฟังวิธีคิดว่าคิดในทางปัญญาคิดอย่างไงเนี่ยก็คิดอย่างที่วันนี้พูดให้ฟังเนี่ยญามองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเหมือนเหมือนน้ำที่หยดลงจากชายคาตกลงมาสู่น้ำที่อยู่บนดินบนพื้นดินเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ดับไปแตกไปไม่เที่ยงฟองน้ำเที่ยงไม่เที่ยง ให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกับฟองน้ำํำร่างกายเรานี้เหมือนฟองน้ําเดี๋ยวมันก็หายไปร่างกายของปู่ย่าตาทวดเราหายไปได้หมดนะเหมือนฟองน้ำนะนี่ให้เปรียบเทียบเห็นฟองน้ําแล้วให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเหมือนฟองน้ำเนี่ยของต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยอีกยี่สิบปีมันจะอยู่กับเราหรือเปล่าใช่ไหมมันหายไปหมด เป็นไงมันหายชา้ามันไม่หายเร็วเหมือนฟองน้าทั้งนี้แต่มันก็หายไปเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันต่างกันทั้งที่มันชา้าหรือมันเร็วนีเห็นไม้ดอกไม้สดที่เอามาถวายพระบูชาพระเนี่สองสามวันก็อโยนทิ้งไปละไปบูชาถังขยะแทนนะต่อความเป็นสดก็บูชาพระ พอมันเหี่วก็ไปบูชากองขยะแทนเนี่ยพยายามองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่หลงมันจะได้ไม่อยากได้แ้วมันไม่อยากได้แล้วมันจะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์ทุกข์เพราะความอยากอวันนี้ก็ได้เนื้อๆได้เรื่องปัญญาล้วนๆอยากจะพิจารณาปัญญาพิจารณาเลยต้องบังคับมัน บางครั้งมันคิดอยู่เรื่อยๆเอาของใกล้ตัวเราก่อนเนี่ย เ, เงินทองของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงตำแหน่งต่างๆที่เราเป็นอยู่ไม่เที่ยงกรสรรเสริญเยินยอ น, นี้ไม่เที่ยงาบางวันก็เขาไม่ชมเราหน่อยก็เสียใจแล้วถ้าก็ชมทุกวันยิ้มแป้นสวยอย่างนันสวยอย่างนี้อพอวันไหนเขาลืมชมสักหน่อยก็อารมณ์ไม่ดีนะ ทุกลรูปเสีเยงกล่นรสก็ไม่เที่ยงเห็นไหมมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปโทรทัศน์ละครนี่มันทุกวันมันฉายเรื่องเดียวเปล่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้เรื่องนั้นวันนี้พรุ่งนี้เรื่องนี้อยากจะดูเรื่องนั้นในวันนี้ก็ดูไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงคิวมันทุกอย่างไม่เที่ยงมองอย่างนี้แล้วรอสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้บางทีก็สั่งได้บางทีก็ห้ามได้ แต่อย่าไปคิดว่าจะสั่งได้ห้ามได้ตลอดเวลาจะต้องมีเวลาที่สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เวลานั้นถ้าไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากก็จะไม่ทุกข์ถ้าสั่งไม่ได้เราต้องหยุดอยากทันทีอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแต่วันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดแล้วนี่อย่าไปอยากกินอยากกินอยู่ยังทุกข์อยู่เดี๋ยวต้องไปหาร้านอื่นกินจนได้แต่ถ้ารู้ว่าวันนี้เขาปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านในประเทศปิดหมดนี้ ก็ต้องไม่กินอย่าไปอยากกินมันก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่ไม่เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงที่เราสั่งไม่ได้เสมอบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราจะมีปัญญาแล้วเราจะดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นได้ความทุกข์ต่างๆที่เราร่องห่มล่องห้งหกันเศร้าโศกเสียใจกันวิตกกังวลกัน ห่วงใ ย, ยกันนี้ก็เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นที่ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงที่เห็นว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ดังั้นพยายามมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจเป็นอนัตตาแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่อยากเรามองฝนฟ้าอากาศนี้เราไม่ค่อยทุกข์กับมันใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันตอบว่าเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเราก็รู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ พยายามมองทุกอย่างมองเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศแล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราเลยเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุป ก, กัปติ อิิตังปฏิต um ังตุ მ หังคิพะเมวะสมิจจัตุสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาหะโสยธามณิโชติหะโสยธาสัพพีต so ิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภะ อะิวาทานสีฤิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวัฏฐติอายุวโนสุขังภลัได้ทำเย นมกับน้ำเตกากินได้ <c oughs> เขาเท ว, ว่าเป็นอาหารเนี่ยนไม่กินชนิแล้วก็มีว่ามีกินน้ำตะเกียน้ำมันดูมได้ทีนี้หนูมีชาที่มันเป็นทำจากเอนมะละที่เนาะค่ะเป็นชาผงที่เ้าตะกัดหนา อ, อย่างนี้เราได้เนะพราะถือวเป็นอาหารนะคะแล้วแต่ว่ามะละนี่มันเป็นอาหารหรือเปล่าก็เป็นอาหารนถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหาร ไม่ควรดีรู้วคืว่าถ้าเรากินน้ำกะเจล้วก็ไม่ได้เหมันจะใส่ตเยอะเราก็ไม่อยากกินหวานก็กินน้ำเปล่าเลยง่ายดีคืออยากมีรสชาติน้ำมาปฏิบัติก็เพื่อตัดรสชาตินี่ไอ้นี้มันเริ่มแรกๆมันยังทนโอ้แก้ตัดนมเนื้อมคือนี่ทรมานเลยก็ดื่มน้ำที่มีรสชาติน้ำผลไม้น้ำส้มพวกนี้ได้น้ำส้มน้ำมะหยนน้ำแอปเปิ้ล อ๋อไม่หวานอ๋อก็น้ําชาเปล่าๆเนี่ยชาเปล่าๆน้ําชาก็ไม่มีไม่ต้องใส่น้ําตาลน้ําน้ํามะตูมันพวกนี้ก็มีมะตูมแบบที่ไม่ต้องมีน้ําตาลก็มีมะตูมแก้ควยอะไรพวกเนี้ยอ่าเอาของที่มันไม่มีมันก็ไม่มีรสชาติอย่างเี้ยแต่มันก็ดีกว่าน้ำเปล่านัำเปล่าดื่มมาเรื่อยเรืยมันจะมันก็อร่อยนะอ๋อไม่ก็อร่อย แ้วมันหิวน้ำแล้วมันคอแห้งแล้วมนน้ำปากอ่าีนี้มันมันแก้หิวไม่ได้นะะมื่คืนหรือแบบว่าหนูก็ลุกมานั่งสมาธิเลยรู้สึกว่ามันยังอยู่ไปได้หลายชั่วโมงที่เขาให้ถือศีลแปดเพื่อจะได้มาใช้สมาธิเป็นวิธีแก้เราก็ยังไปคิดหาน้ํานู่นหาน้ํานี่มาแก้อยู่ไอ้ระหว่าที่สติกำสมาธิมันยังไม่มานี่มันก็ยกิเลสมันคิดแต่หาอหารูปเสียงกลิ่นรสทันที แต่ถ้ามีปัญญาบอกให้นั่งสมาธิเี่ยพอมัยอมแล้วว่าเอา้ยยังไงที่กินไม่ได้ไม่มไมกินแล้วนั่งสมาธิเอาเอะไรออแล้วก็ก็อยู่ไปด ไ, ไดไ้พยายามอย่าไปดื่มอะไรเลยดืมม่มแล้เดี๋ยวมันก็ติดอกีกเดแล้วเดี๋ยวความไม่มีก็ทุกข์อีกเอาน้ําเปล่าเนี่ยมันมีมันหาง่ายเด้นตลาดเวลาแล้วไม่ยุ่งยากไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไร ถ้าเป็นชาเป็นอะไรเดี๋ยวก็ต้องมีน้ําร้อนมีอะไรต้องมาต้มมาเลยแต่มันก็ดีพอเราทําได้อธิษฐานของวันจันทร์เราก็มาเริ่มใสองวันลลได้หรือเปล่าใช่อก็เหมือนเด็กอ่ะตอนต้นหัดคลาเนี่ยตอนนู้นคลารได้ก้าวสองก้าสองก้าต่อไปก็ได้คลานได้ทั่วห้องต่อไปก็ยืนขึ้นมาได้ต้องพยายามทําไปมันเดี๋ยวมันดีมันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อย เอาสมาธิเอาสติเนี่ยเป็นตัวพยุงจิตใจพยายามเจริญสติบ่อยๆควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะมีพลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้อนั่งสมาธิมันจะสงบแล้วจะมีความสุขจะมีความอิ่มแล้วมันจะ คิดไปในทางกิเลสได้น้อยลงต่อไปจะสบายไม่มีอะไรมาลกวนใจไอ้ตัวลกวนใจก็คือความคิดที่คิดไปในทางกิเลสเนี่ยความจำจำแต่ขนมนมเนยจำแต่นู่นนี่พอนึกถึงมันเมื่อไหร่ก็หิวขึ้นมาทันทีแถ้ามีสมาธิแล้วพสัญญาสังขารนี่มันจะเบาลงเวลามันสงบเต็มที่มันจะหยุดทา ง, งานหายไปเลย เอาจากสมาธิใหม่ๆมันจะอิ่มจะอิ่มเอิกใจสุขใจแต่เดี๋ยวมันก็กําลังของสมาธิก็ยังค่อยๆหมดตอนนั้นต้องพยายามคิดทางปัญญาให้มากๆแล้วถ้าคิดทางปัญญาไม่ไหวก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่มหก็สู้กิเลสสู้กับความอยากสู้กับความหลงตัวเองเราชอบไปคิดหาสิ่งที่เป็นทุกข์กันโเราไปคิดว่ามันเป็นสุข พอไปได้เนมาแล้วก็มาน้ําตาตกไงเวลามันไม่เที่ยงเวลาที่เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ยังต้องฝึกสติให้มากๆเพื่อให้มีสมาธิมีสมาธิแล้วทีนี้จะไปไปทางปัญญาได้อย่างสบายฆ่ากิเลสได้อย่างง่ายดายมีคําถามทางบ้านไหยมีตามต่างชาติบรอวันนี้ คำถามฝากถามจากพระค่ะข้อที่หนึ่งค่ะสมาธิกับภาวนาต่างกันอย่างไรครับสมาธิคือความสงบของใจเกิดจากการภาวนาคําว่าภาวนาก็คือการปฏิบัติจิตนี่ยจิตตภาวนาเป็นการควบคุมจิตเรียกว่าภาวนาถ้าไม่ถ้าไม่มีสติควบคุมจิตก็ไม่เรียกว่าภาวนาเดินจงกรมแล้วปล่อยให้ใจลอยไปลอยมานี่ไม่ได้ภาวนา นั่งสมาธิแล้วปล่อยให้ใจลอยไปลอยมานี่ไม่ได้ภาวนาถ้าภาวนานี่ต้องให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวเรียวกว่าภาวนาถ้ามีการภาวนาเดี๋ยวก็จะมีความสงบการสงบก็คือสมาธิสมาธิก็มีสามลักษณะสงบแป๊บเดียวเหมือนงูแลบลิ้น เราเรียกว่าคณิกะสมาธิเวลาปฏิบัติใหม่ๆนี้จะได้ ika, คณิกะสมาธิกันเพราะกำลังสติมีไม่มากพอดันให้มันเข้าไปได้กิเลสมันก็ดันออกมาทันทีแต่ก็สงบให้เห็นเชือกงูแลบลิงเป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างเหมือนกับได้ชิมชิมอาหารเห็นแล้วมันได้ชิมแล้วมันจะติดใจใครได้คณิกะสมาธิแล้วจะติดใจก็อย่าไปรู้ว่าต้องฝึกสติให้มาก พอสติมีกกำลังมากต่อไปเวลานั่งพอมันสงบมันก็จะสงบได้นานสงบได้นานแล้วก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วก็จิตบางชนิดเวลาสงบในอัปปนาแล้วไม่ไม่อยู่เฉยเฉยส่วนออกไปรับรู้เรื่องราวทางทางกายทางทางอะไรเาเรียกทางทางทา ง, ทางโลกทิพย์ ไปรู้เรื่องเสียงทิพกิ่นทิ์ลูกทิพ เ, เห็นเทวดาเห็นผี เ, เห็นนรกเห็นสวรรค์หรือมีไปอ่านความคิดของคนอื่นเขาได้อสอนไปแอบไปอ่บไปดูว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กแล้วตน <laughs> นี้เขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิสมาธิแบบซุกสนะอย่าง้ ไม่ไม่เรียบร้อยไม่ไม่อยู่เฉยๆ เ, เป็นเด็กนักเรียนก็ไม่อยู่ในห้องเรียนหนีออกห้องเรียนไปเล่นนี่พวกเรียออุปจาระสมาธิรวมถึงระลึกชาติด้วยไหมอ่านั่นแหละระลึกชาติลลาตความสามรารถความพิเศษต่างๆอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิตาทิพย์หูท่พอ์เหินเดินอากาศได้อภินยาเลยต่างๆเห็นเลขเห็นหวยเห็นเบอร์เห็น อ, อนาคตอะ ก็ดีแต่มันไม่ดับทุกนะมันเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเดี๋ยวกิเลสก็ไปใช้หาเงินหาทองออถ้าเมื่อไหร่เอาไปหาเงินหาทองน่คือิชาถ้าไหรที่เอ า, เอ า, เ, อาเอาสิ่งเหล่านั้นไปหาเงินหาทองนั่นคือหาราญยศสรรเสริญไก็ไปหาความทุกข์ไงเพราะว่าราญยศสรรเสริญมันก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป แล้วไม่สามารถที่จะมีกำลังไปสู้กับกิเลสได้สมาที่แบบนี้ไม่มีไม่มีกำลังคือไม่มีอุเบกขาถ้าไม่อยู่ในอัปปนาพอออกไปปั๊บนี่เหมือนออกไปเล่นไปเที่ยวเนี่ยมันไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขากำลังเฉยเฉยไม่มีแต่ถ้าอยู่ในอัปปนาได้นานเนี่ยกำลังเฉยเฉยจะมีมากเวลากิเลสอยากได้อะไรก็เฉยได้ไม่รู้สึก ทำอแมนใจเนี่ยมีสมาธิสามชนิดคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องอุปจาระสมาธิคิดว่าอุปจาระคือกำลังจะเข้าอัปปนาไม่ใช่ เ, เขาพอคว่าอุ ป, ปะนอุ ป, ปะมันก็ว่ากำลังจะกลังจะอุ ป, ปจาระ เ, เขาก็เลยไปแปลว่าเป็นสมาธิก่อนที่จะเข้าอัปปนาสมาธิความจริงมันหลังจากเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมันออกไป มันไปซนมันไม่อยู่เฉยๆไปไปแอบรู้นุ่นรู้นี่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านอ่านใจของคนอื่นได้ในประวัติของท่านท่านเคยไปภาวนาท่านอยู่บนเขามีหลวงพ่ออีกรูปหนึงอยู่ตีนเขาตอนคืนท่านก็ส่งจิตมาดูว่าหลวงพ่องนี้คิดอะไรหลวงพ่อตอนนั้นก็ำลังพุ้งเกี่ยว่วงลูก ห, ห่วงเมียตอนเช้าพบปะกันท่านก็เลยพูด ยอย่าเอะไปห่วงลูกห่วงเวมียทําไมเรามาบวชแล้วเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราโห้ยส่งพ้องนั้นตกใจห <c oughs> นีเลยไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> คนที่เขามีสิ่งนี้ถ้าให้ระวังเดี๋ยวก็จะเป็นเป็นเรื่องได้แล้วคนที่เห็นหนู่นเห็นนี่ลองไปบอกชาวบ้านว่าเห็นเลขเดี๋ยวซวยแหละสิเดี๋ยวคนแถมมา <c oughs> ตั้งแต่เช้ารนเข้เลยอย่างคนบ้านอำเภอยังไปเลยอะไรอะไรตโนดนั้นอำเภอตโนดนั่นที่ก็มีหลวงพ่อให้หวยคำเจ้าโนดคำรจ้ะโนดเนี่ยคนบ้านอำเภอยังไปเลยบางทีมีเจ้ามือรู้ไว้สัเกนะจะชาวพวงกอจะส่งมือปืนมาดักเสกยังมีอะไรดีๆต้องเก็บไว้อย่าไปประพูด มันเป็นดาบสองคมมันจริงก็ถึงแม้จะเป็นจริงแต่บางคนเขาไม่เชื่อก็าหาว่าเราอุตริก็ได้งั้นคนที่ฉลาดเขามีอะไรภายในนี้เขาไม่มาพูดกับใครนอกจากคนที่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยหัวอกเดียวกันคุยกันได้เพราะเรื่องราวล่านี้มันไม่ได้เป็นธรรมถมันไม่ได้เป็นทางไปสู่มรรคผลผนิพพานแต่มันก็เป็นเรื่องเรื่อง แปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างมังแต่ไม่ควรไปหลงกับมันถ้ามีก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้าเรายังไม่ได้บรรลุอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเอามาให้มันอยู่ในอัปปนาสมาธินานๆแล้วออกมาก็ให้มันคิดทางปัญญาไปเรื่อยๆจนกาดจะฆ่ากิเลสหมดนะถ้าให้มีกิเลสแล้วมันเล่นกับมันไม่เป็นไรที่มันเป็นปัญหาเพราะกิเลสเนี่ยมันจะเอามาทําให้เราเสียได้อย่างพระเทวทัศน์นี่ก็มีมีอิทธิฤทธ กคิดว่าโตัวเองเก่งก็เลยมีความอาจหานขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แต่พุทธเจ้ารู้ว่ามันจิตมันยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ะไม่มีปัญญามีแต่กิเลสครอบงำอยู่ก็ปฏิเสธไปมันก็เลยโกรธใช่ไหมแล้วก็ทําให้ไปทำบาปเนี่ยเพราะคิดว่าตนเองเก่งคิดว่าตนเองมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยแล้วก็พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้ง อันไหนที่สื่ก็ต้องไปตกนรกไปนะแต่ยังโชคดีว่าก่อนตายนี่ขอขมาลาโทษยอมเห็นเห็นผิดเห็นโทษของตนเองพระเจ้าบอกว่าการเห็นผิดเห็นโทษของตนเองจะทําให้ไม่กลับไปทําซ้ํำซากอีกจ้าหน้าพอพ้นจากนรกออกมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปแล้วบรรลุเป็นพระปฏิเจกพะพุทธเจ้าได้นี่คือ เรื่องของสมาธิสามชนิดเนี่ยยังขอให้พวกผู้ที่มีอุปจาระสมาธิให้ระวังถ้ามีตาที่ผุที่มีอะไรอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเนี่ยอย่าไปใช้มันเดี๋ยวมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสเห็นเลขเห็นหวยนี่เดี๋ยวไม่ไม่บวชดีกว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวเป็นหมอดูดีกว่า ถูกกิเลสหลอกว่าได้ช่วยเหลือคนแต่ความชิงช่วยเหลือกิเลสเพราะกิเลสมันไม่ยอมตายมันไม่ยอมให้ถูกฆ่าไงเพราะว่าถ้าไปทางวิปัสสนาเดี๋ยวกิเลสถูกฆ่าหกิเลสเลยบอกให้หลอกให้เราไปช่วยคนอื่นก่อนเมื่อเรามีพลังจิตช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ได้แต่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโม่แต่ไปช่วยช่วยคนอื่นตัวเองก็เลยต้องยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป อาจารย์ครับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเขานั่งมาเขาได้ความสงบแต่ว่าเขาบางครั้งเนี่ยเขาคิดว่าทําไมเขาไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่เขาได้ความสงบอย่างนั้นดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมใช่ก็ความสงบก็เห็นต้องไงครก็เห็นความสงบจริงเวลาเขาเข้าไปได้ยินได้ฟังว่านั่งสมาธิแล้วต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นผีเห็นอะไรเขาก็เลยคิดว่าทุกคนจะต้องเห็นอย่างนั้นความจรงิงเพียงแดห้าเปอร์เซ็น์ท่านั้นอะ่ะของคนที่ มีมีความสามารถในทางนี้<ม>ที่จะไปทางอุปจารสมาธินี้ถ้าว่ามีแค่ห้าเอร์เซ็นตะเรียกว่าพวกจิตผาดโผลจิตสุขสน์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะนั่งแล้วก็สงบนิ่งเป็นอัปปนาแล้วก็ไม่ไปรับรู้อะไร<ม>แต่อันนี้แหละเป็นประโยชน์เพราะจะทำให้เรามีกำลังสู้กับกิเลสได้เรามีสถานที่นึงครับอาจารย์เขาให้นั่งและเขาให้กาหนดการลาตัว และให้สว่างสว่างที่กล า, างลำตัวแล้วเพื่อที่จะให้เห็นโตวันไม่เห็นโนั่นแหละผินแล้วเพราะนั่งนี่ไปกําหนดจิตไปบังคับจิตให้ทํางานแทนที่จะให้จิตนิ่งสงบกับให้จิตจิตปรุงแต่งเป็นแสงสว่างขึ้นมาก็เหมือนเป็นนิมิตไงเป็นไอเหมือนเหมือนกสิณไงนั่งแล้วให้กําหนดแสงสว่างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแล้วก็พอแล้วก็ไปหลอกให้จิตปรุงแต่งว่าเห็นหนู่นเห็นนี่นะอพอ อ่าอาจารย์สอนให้เห็นนักสิดก็เลยต้องเห็นเห็นไม่เห็นเวลาอาจารย์สอวันนเห็นไหมเห็นจ้าเห็นจ้อ่าถ้าถ้าหมอไม่เห็นเนี่ยอาจารย์จะกลัวอาจารย์จะเสียใจจาโกรธว่าไอ้นี่มันโง่สอนเท่าไหร่มันไม่เห็นนาทีก็เลยต้องเห็นกาเป็นว่าที่ส่วนใหญ่คนที่ไม่เห็นเนี่ยก็กลายเป็นกลับไปคิดว่า เขาไม่ก้าวหน้าทางการปฏิบัติเพขาไม่เห็นใช่ไหใช่มัหลงทางไงมันแค่รู้ว่าเห็นใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเห็นจริงก็ให้รู้ว่าเห็นเฉยๆอย่าไปสนใจเหมือนแต่มันไม่มีมันไม่มีอะไรเห็นหรอกเห็นเห็นเห็นความปรุงแต่งของเราอ่ะเห็นผีก็ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ได้เห็นผีจริงอ่ะอาจารย์ครับมันมีอีก อันนึงครับเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีวิธีหนึ่งผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นที่แบบระหว่างหลับตานครับแต่ว่าเห็นเห็นเห็นในจิตเห็นในจิตเช่นเราต้องการจะเพ่งกับฝิ้นเห็นในจิตอ่ยมองไปมันจะเห็นเป็นเทียนขึ้นมาหรือพระพุทธรูปจะเห็จิตแไม่ใช่เป็นการจากการนั่งหลับตาแล้วเพ่งเห็นอย่างเงี้ยอันนี้ถูกหรือผิดครับอาจารย์หลับตาไม่หลับตามันก็เหมือนตัวเดียวกันเน่ะเขาใช้ตัวจิตคิดขึ้นมาไงตัวคิดเนี่ยผัวสังขารความคิดปรุงแต่ คิดถึงเทียนมันก็มันก็เห็นไม่ต้องหลับตาก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เห็นด้วยตามันเห็นด้วยจิตเนี่าถ้ามันไม่สงบเป็นอุบเบกขาก็ไม่ถูกเจ้วเขียนหนังสือที่ว่าพุทธานนิสติกรรมฐานให้มอก็คือทะลุไปแล้วเรานั่งแล้วเราให้ระลึกถึงถ้ามันสงบเป็นอับบนปนอนปนาสมาที่ได้ก็ถูกอก็ใช้ได้ <Okay. S 2> มันเป็นเหมือนกระสินไงนให้เพ่งอยู่กับภาพใดภาพหนึ่ง กรสินก็เป็นสีสีเขียวสีแดงสีขาวให้นึกถึงมันอที่เรามองใบไม้นึกถึงสีเขียวจําสีเขียวไว้แล้วพอหลับตาก็ให้นึกถึงสีเขียวให้มันตาที่มันมืดนี้ให้การเป็นตาที่มันดนํานี้แสงสิ่งที่เห็นมันดนําให้มันเป็ น, เ ป, นเป็นเขียวไปหมดนี่มันก็ยังใช้สัญญาอยู่ใช่แต่มันสัญญาอยู่เรื่องเดียวเหมือนกับพุทโธพุทโธไงมมไม่เป็นไรถ้ามันอยู่กันเรื่องเดียวไม่เป็นไรอ้วเดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธินะพอเข้าไปสีนี้ก็จะหายไปหมด เหมือนกับพุโทโธพอมันเข้าไปปั๊บพุโทโธก็หายไปหรือลมหายใจก็หายไปอันนี้มันเป็นตัวที่ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเนให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียวอารมณ์เดียวเพื่อจะได้รวมจิตให้เป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขตตาลมพอรวมเป็นหนึ่งมันก็จะเจอตัวรู้ตัวรู้เนี่ยคือตัวเหมือนกับตอนนี้ตัวรู้มันกระจายออกมาทางวิญญาณมันส่งมาห้าห้าเส้ น, นส่งมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็เลยใช้พุทธโธใช้กระสินใช้พระพุทธรูปเพ่งเนี่ยหนึ่งหนึงวิญญาณทั้งหให้กลับเข้ามารวมอยู่ที่ใจเข้ากลับมาหาที่ตัวรู้เหมือนไฟฉายเนี่ยเวลาเราเปิดไฟไฟมันก็แสงมันก็กระจายออกไป่พอเราปิดก็เหมือนกันดึงมันกลับเข้ามาเวลาเราพุทธโธพุทธโธนี่เหมือนกันเราปิดกระแสจิตให้มันหยุดส่งออกไปให้มันกลับเข้ามาข้างในพอมันรวมปับ๊บความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นการก็หายไปเลย ร่างกายหายไปเลยเหมือนเข้าไปในถ้ำมไม่ได้รับรู้อะไรภายนอกถ้ำอีกต่อไปรก็ู้ี่ลตอนนั้นลมหายเหมือนแล้วแต่ตัวรู้ตัวเดียวมไม่ต้องรู้อะไรดัง น, นั้นมันจะไม่ทาอะไรมันจะนิ่งจะเฉยจะสบายจะสุขออตอนนั้นก็ปล่อยมันนิ่งของมันไปถ้าถ้าเป็นคณิกะ ก, ก็นิ่งเดียวเดียวก็ได้งออกมา ถ้าเป็นอัปปนาก็จะนิ่งนานห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบชั่วโมงถ้าเก่งๆบางคนเป็นฤาษีนี่อยู่เป็นเจ็ดวันก็มีสิบห้าวันก็มีแสดงว่าพลังสติเขาแก่กล้ามากมีกำลังมากอันนี้คือสมาธิกับภาวนาเข้าใจนะการภาวนาก็คือการทำสมาธิ สมาธิก็คือความสงบมีอยู่สามแบบคันิ้กะนิ่งแป๊บเดียวแบบงูแบลบนิ้นอปปนาสมาธิก็นิ่งนานอปจาระราสมาธินิ่งแต่ไปไม่ไม่อยู่เฉยเฉยโซนไปสอดรู้สอดเห็นคำถามข้อที่สองค่ะผู้รู้คือจิตที่ถูกสติควบคุมไว้ในในขณะนั่งสมาธิใช่ไหมครับ ก็สติเป็นผู้หนึ่งตัวขันนามขันคือรูปเว ท, วทนาสัญญาสังขารให้กลับเข้ามาหาโตรูก้กลับมาแล้วก็จะพอหดเข้ามาก็เหมือนแสงแสงไฟฉายที่เมื่อกี้พูดถึงพอเราดับไปปั๊บมันก็จะกลับมาที่หลอดแสงทุกอย่างมันจะกลับมาที่หลอดแล้วก็จะเห็นตัวหลอดแต่เวลาเราเปิดไฟเรามองไม่เห็นตัวหลอดเนี่ยตัวแสงมันออกไป เวลาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํางานเราจะไม่เห็นตัวรู้พอเราหยุดไอ้สีตัวนี้ปั๊บก็ เ, เหลือแต่ตัวรู้โผลขึ้นมาให้เราเห็นตัวนี้คือจิตใช่ไหมครับอ่านั่นแหละตัวรู้ตัวจิตตัวใจผู้รู้เนี่ยสักแต่ว่ารู้เนี่ย อ, ไ, ไ, อไอ้นั้นเป็นสังขารเป็นเป็นอารมณ์อพ อ, อมันนิ่งทุกอย่างมันนิ่งปั๊บก็เหลือแต่ตัวรู้เฉยใจยพระอาจารย์บอกว่าเทียน พอทุดลูปหลับตาลืมตาก็เห็นเหมือนกันก็ลองเนื้อแกอยู่ที่ลองเนื้แกดังนั้นถ้าการทําสมาธิระดับใดบ้างครับที่สามารถหลับลืมตาสมาธิได้บ้างมีไ้มครับก็มีสติมากๆอย่างบางคนที่ชานาญในสมาธิแล้วเขาสามารถให้จิตนิ่งเฉยๆได้ด้วยการลืมตาอยู่ถ้าเขมีสติเขาควบคุมจิตได้สั่งได้แต่ใหม่ๆให้ปิดตาเพราะมันเห็นอะไรแล้วมันจะไม่นิ่งมันจะไปคิดถึงสิ่งที่เราเห็นให้ปิดทวารทั้งห้าสิ่ จะได้ทำให้มันนิ่งให้มีสติทำให้ใจนิ่งต่อไปพอเราทารู้จักวิธีทำใจให้นิ่งแล้วจะเปิดหูเปิดตาอยู่ที่ไหนก็ทำให้มันนิ่งได้คนไม่รู้ว่าใจเรานิ่งอะแต่เพราะเรายังทำอะไรยังเห็นอะไรอยู่คิดว่าเราไม่เอาจริงใจเรานิ่งเป็นอุเบกขาเียงแล้ว่ามันยังนิ่งแบบรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แล้วก็มีนิ่งแบบไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่น นิ่งแบบเต็มรูปแบบเต็มมีนิ่งสองแบบแบบที่รับรูรปเสียงกินนกแต่ไม่ลาคาญใครด่าก็เฉยเฉยนี่แสดงว่าจิต น, นิ่งใครชมก็เฉยเฉยใครขโมยของไปก็เฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเฉยเฉยไปหมดนี่นี่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันสมาธิแบบนิ่งตาสมาธิแบบเนี้ยตอนเนี้ยคุยกันเนี้ย ้ามารมีสมาธิได้ถ้าฝึกจิตดีแล้วยิ่งถ้ามีปัญญานี่มันยิ่งนิ่งใหญ่เพราะมันตัวที่จะทําให้นิ่งไม่นิ่งไม่ไมีม้ลกิเลสนี่ถูกทําลายไปหมดแล้วนิง่งเฉยได้ตลอดเวลาเมื่อก่อนมเรื่องมาผิดหลายปีแล้วแต่วคิดว่านั่งสมาธิไปสักพักมีปฏิบัติสงบเสร็จท่านก็บอกว่าให้ขึ้นวิปัสสนาเจริญปัญญาแลว้วก็แยกขายสียาสัญญา แล้วคนสองสามเดือนกันีมหาราชารแล้หนูอ่านของพรอาจารย์ายบอกว่าต้องนั่งให้มันสงบเอาความที่เปนออกก่อนแล้วเองวิปัฒนามาทำในชีวิตประจำวันก็เลยกลับไปลองใหม่อันนี้มันก็ได้ผลกับตัวเองขึ้นเยอะแยะมากพอเวลาเราจากสมาธิเราไม่วิปัสนากันเรามากิเลสกันแต่เวลาอยู่ในสมาธิอยากใช้มันนิ่งกลับไปวิปัสนาเป็นก็เลยไม่มี สมาธิก็ไม่มีกําลังทําผิดเวลาผิดช่วงต้องแบ่งเวลาว่าเวลาสมาธิกับเวลาวิปัสสนาคนละเวลากันอนอกจากกรณีบางกรณีเช่นนั่งแล้วเจ็บเนี่ยตอนตอนนั้ น, นต้องใช้วิปัสส น, นาแยากวิทนาออกจากกายตอนนั้ น, นก็จากสมาธิก็ต้องมาเป็นเป็นวิปัสสนาโดยถูกบังคับเนี่ย หรือไม่เช่นนั้นถ้าย้ายเป็นสมาธิก็ใช้พุโทโธสู้กับมันไปก็ได้แต่สู้พุโทโธถ้าพุโทโธชนะจิตก็นิ่งอแต่ถ้าใช้ปัญญาต่อไปมันจะนิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้พุโทโธเพียงแต่สั่งให้มันอยู่เฉยๆมันก็เฉยเพราะมันรู้แล้วว่ามันหนง <c oughs> ไปกลัวเวทนาซึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวที่น่ากลัวไอ้ตัวที่น่ากลัวคือความอยากกลับไม่กลัวมันกลัวกลัวผิดตัวเพราะฉะนั้นเอามากลัวที่ตัวความอยาก อยากให้เวทนาหายไปอยากให้ความเจ็บหายไปต้องกลัวไอ้ตัวนี้อย่าไปกลัวความเจ็บความเจ็บไม่น่ากลัวเพราะความเจ็บไม่ได้ทำให้ใจเราทุกตัวที่ทำใจให้เราทุกคือความอยากให้ความเจ็บหายไปอยากไปให้มันอยากปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปต้องจะไม่ทุกเนี่ยว่าวิปัสสนาบางทีมันถูกบังคับให้ใช้วิปัสสนาในตอนนั้นก็ต้องวิปัสสนาตอนนั้นเลย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรแล้วก็เพ่งลมไปให้จิตรวมเข้าไปสงบเป็นอัปปนาให้มีอุเบกข า, าออกมาแล้วก็คิดทางปัญญาไปอยากได้อะไรก็บอกเป็นทุกข์อยากทําอะไรก็กเป็นทุกข์ทุกหมดทั้งนั้นน่ะอยู่เฉยๆนะ่ะดีที่สุดแล้วแข่งเท้าไปหาเซียนทําไมใช่ไหมแต่อยู่ไม่เป็นสุขถูกหลอกว่าสุขกันนะว่าได้แล้วสุขได้ทำแล้วจะสุข ได้ไปเที่ยวแล้วจะสุกแล้วสุกจริงก็เปล่าก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วปัญญานี่ที่เราได้เนี่ยเราได้มาจากการอ่านหนังสือพระการฟังเทศเนี่ยค่ะที่เราสะสมเข้าไปในปัญญาเราในตัวใช่ตอนต้นเราไม่มีเราก็ต้องไปเอาของคนอื่นมาโดยการเรียนเนี่มันมีสามปัญญามีสามระดับถ้าเราไม่รู้ก็ต้องไปเรียนก่อนไม่ถามไปฟังเทศเนียก็เรียกว่าสุตามะยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษา พอได้มาแล้วขั้นที่สองก็เราต้องเอามารักษาไว้ด้วยการคิดอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้จำได้ถ้าไม่ไม่คิดเดี๋ยวก็ลืมพอได้ยินได้ฟังเทศว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เอามาคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้มันจำได้แล้วต่อไปเวลาอยากจะได้อะไรก็บอกมันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกาลัง ก็ต้องไปสร้างกำลังให้กับใจไปนั่งสมาธิไปภาวนาแล้วปัญญาที่เราได้จากสุตะได้จากกินจากการคิดของเราก็จะกลายเป็นภาวนาเมยปัญญาไปต้องมีสมาธิเนี่ยต้องมีภาวนาถึงถึงจะสามารถมีกำลังที่จะต้องมีอุเบกขาที่เกิดจากการภาวนาถ้ามีอุเบกขาปั๊บพอเราคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็ตัดได้เลยแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาตัดไม่ได้ แหม่เนี่ยยังยังยังอยากจะดื่มไม่นู่นอยากจะดื่มไม่นี่อยู่ทั้งทั้ที่ร่วมเป็นทุกข์ไม่ดื่มมันทําไมก็ดื่มน้าเปล่ามัสบายจะตานแล้วแน่เ<ๆ>พราะไม่มีกําลังอุเบกขายังโหย อ, อยู่จิตยังโหออยอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ออนจริงมันหลอกเราอารมณ์อยากขึ้นมามันเลยทําว่าเรารู้สึกหิวอันจริงมันร่างกายไม่หิวเพราะพระเจ้าเจ้าอดข้าวได้ตั้งสี่สิบเก้าวัน เพราะท่านมีสมาธิเนะี่ยดังนั้นท่านมีสมาธิแต่ถ้าไม่มีปัญญาอารมณ์ของพระอรหังหรือพระนิพพานเนี่ยครับพระอาจารย์จะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดินน้ำลมไฟหมดเลยไหมครับพระอาจารย์แม้แต่บุคคลเนี่ยก็มองไปแค่ดวงจิตหรือเปล่าครับอาจารย์ก็มองได้สองอย่างน้องมองแบบเก่าก็ได้มองแบบใหม่ก็ได้แล้วแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องมองแบบใหม่หรือเปล่า ถ้ามันคิดไปในทางห่วงใยคนนู้นคนนี้ก็คิดว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟไปถ้ามันไม่ได้คิดห่วงยายก็ยังมองเหมือนเดิมอยู่คนนี้เป็นเศรษฐีคนนี้เป็นคนจนก็ยังมองแบบเดิมอยู่นะแต่พอมันจะเริ่มเกิดกิเลสขึ้นมาคิดไปในทางกิเลส ก, ก็คิดทางปัญญากลับมามันก็เป็นแค่ดินน้านมไฟไปเองแต่ตอนพรหลานนี่มีมีความคิดที่มามาแก้ความคิดปลอมได้ ความคิดที่ไม่ถูกได้ความคิดไปตามความหลงคิดตามสมมุติแต่บางทีอยู่ในสมมุติก็ต้องคิดตามสมมุติไปคนนี้เขาเป็นเจ้าคนนี้เขาเป็นลูกน้องเราจะไปคิดว่าเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาเจ้ามานั่งข้างล่างเอาเอาลูกน้องไปนั่งข้างบนมันก็ยุ่งเลยประจายปะมันก็ต้องคิดทั้งสองอย่างคิดทั้งสมมุติกับคิดทั้งวิมุตงเนี่ยมีมุ่งก็เหมือนกันหมดเป็นดินน้ำลมไฟหมดเหมือนกันหมดแต่สมมุติเขามีสูงมีต่ำก็ว่าไปตามสมมุติเขา มันก็ต้องคิดทั้งสองอย่างคาถามจากคุณแอนนี่อารมณ์นิพพิธาต่างจากอารมณ์เบื่อทั่วๆไปอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันเนะลองไปถาม Google ดูดีกว่านิพ <c oughs> พิธาเนะี่ยเราไม่เคยเราไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลีเท่าไหร่คาถามจากคุณปีเตอร์จะมีวิธีการอย่างไรที่จะชักนำ บุหลานที่มีอายุน้อยเพียงแค่ 7-8 ถึงขวบทำสมาธิจเจริญมิปัตตนากรรมฐานครับผมอยากให้ลูกมีปัญญาเพื่อพาตัวเองได้ทั้งทางโลกและทางธรรมครับอ๋อมันยังไม่ถึงเวลาหรอกมันมันข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนนี้ก็สอนให้เด็กรู้จักเ อ, อเดินก่อนอย่าเพิ่งไปให้มันวิ่งเลยมันยังเดินไม่ได้ยังยืนไม่ได้มันยังคลานอยู่สอนให้มันรู้จักยืนจากเดินก่อนก่อนที่จะให้มันไปวิ่ง อนนี้ก็สอนให้มันรู้จักเลี้ยงดูตัวมันไปก่อนรู้จักผิดถูกดีชั่วไปก่อนคำถามจากคุณทันติภาค่ะดิฉันอยู่ต่างประเทศอยากทำบุญแต่ไม่ค่อยมีวัดค่ะแล้วทำบุญด้วยวิธีใไดได้บ้างคะอ๋อทำบุญได้ทุกแข็งเลยทำกับใครก็ได้เป็นบุญทั้งนั้นมุนคือความสุขใจทำบุญกับขอทานทาบุญกับองค์กรต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาล องค์กรการกุศลสภากาชาติเป็นบุญทั้งนั้นทำได้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ต่าง ก, กันเพียงแต่ว่าเราจะไปสนับสนุนใครทั้งนั้นเองถ้าเราทำบุญกับสภากาชาติเราก็สนับสนุนถ้าเราทำบุญกับวัดเราก็สนับสนุนวัดเนี่ยมันก็มีแล้วแต่เราถ้าเราอยากจะสนับสนุนใครเราก็ต้องไปทำกับที่นั่นถ้าเราอยากจะสนับสนุนพระพุทธศาสนาเราก็ต้องทาบุญกับวัดวา แล้วก็โอนเงินไปได้เนี่ยสมัยนี้โอนได้เนี่ยต่างประเทศเขาโอนเงินมาทมําบุญที่นี่ก็มีแล้วต่างประเทศเขามาขอหมายเลขเราอยู่ด้วยแต่เราไม่ค่อยให้เขาบอกมามาตัวเองดีกว่ากลัวเดี๋ยวถูกหลอกมันเอาหมายเลขไปเดียวสวสมัยนี้เดี๋ยวเกิดมันไปแฮกไปเบิกใช้ว่าหลอกแล้วว่าขอหมายเลขบัญชีก็เลยส่วนใหญ่จะไม่ให้ให้ แต่สามารถทำได้โอนเงินได้เดี๋ยวนี้อยู่ต่างประเทศก็โอนเงินมาที่วัดได้ถามทางวัดก็มีหมายเลขบัญชีหมายเลขอะไรอยู่ที่ว่าเขาไว้ใจเราหรือเปล่ปาเขาจะให้เราหรือเปล่ปาอาจารย์คะอย่างการทำบุญเนี่ยอย่างนู้เนี่ยเหมืฝากเอที่อยู่บ้านนเมืออ่าเมื่อเช้าก็บอกว่ามีคนฝากใส่ขเขาจะใส่ทุกวันให้อยู่ล ะ, ะนี่จะถามว่าคุณที่เราได้ คนที่ใส่ะคือเอวกูอนุโมทนาเขาก็ได้อีกแบบนึงเขาได้บุญเราได้ของเราไงเราได้บุญจากการเสียสละเงินทองเขาได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นมันบุญคนละแบบกันอว่าที่หนูบางทีหาูไปฟัก็บอกว่าไม่ได้ให้กับมือเองเราไม่ได้เราไม่เราได้เโอนเงินของเราเนี่เราก็ได้แหละจะไปให้กับมือหลือไม่ให้กับมือก็ได้เท่ากันถ้าโอนกับมือก็ได้ความขยันได้ในการที่เราได้มาทําด้วยตัวเราเอง ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไปพึ่งคนอื่นก็เป็นหนี้เข า, เ, ขาเป็นหนี้เขาไปลบกวกนเขาแต่ก็ได้อยู่ที่มากน้อยอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบริจาคไปบริจาคมากก็ได้มากบริจาคน้อยก็ได้น้อยคำถามจากคุณทพดจิชัยค่ะในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ยังมีภาระต่างๆ แต่ก็คิดว่าการบริจาคทำบุญทำทานมีความสำคัญแต่บางครั้งเมื่อทำบุญไป ด, ด้วยเงินจำนวนหนึ่งภายหลังกลับมีความคิดเสียดายแวบเข้ามาจะมีผลบาปอะไรหรือไม่ครับอ๋อไม่บาปหรอกมันก็เป็นเรื่องของกิเลสที่มันจะพยายามมาล้มความความดีของเราดัางนั้นเราก็พยายามนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำบุญนี้มันเป็นประโยชน์กับเรา ถึงแม้ว่าเราจะเสียอะไรไปนะผลลัพธ์เราด้านนี้มากกว่าสิ่งที่เราเสียไปเอยันไม่ต้องไปเสียดายเสียดายมันก็อาจจะทําให้ความรู้สึกที่ดีจากการทําบุญมันหายไปชั่วคราวหายไปเพราะแมาเสียดายความสุขที่ได้จากการทําบุญก็เลยหายไปแต่เราคิดว่าทําไปแล้วไปเสียดายทำไมเอากลับมาไม่ได้มันก็จะหายไปแล้ว กันไม่เปมันไม่เป็นบาปเลยเองแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราไม่อยากจะทําบุญครั้งต่อไปคําถามจากคุณคมสรรพระอาจารย์พูดถึงอนิจจังกับอนัตตาอยู่เสมอแต่ไม่ได้พูดถึงทุกขังผมเข้าใจว่าทุกขังเป็นอาการเปลี่ยนแปลงของอนิจจังอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่เนี่ยก็พูดอยู่ทุกวันว่ามันเป็นทุกข์ทุกครามมันเปลี่ยนแปลงที่ทุกขจาใจเราอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลง ทุกครั้งนี้มันอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ของไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้อนิจจังอนัตตาอยู่ที่คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาไม่เที่ยงเพราะเป็นอนัตตาแต่ใจเราทุกข์กับเขาเพราะเราไปอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นของเราเราเลยทุกข์เข้าใจไหมที <ce> kind of ่พูดนี้ให้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราด้วยการเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราพวกเราจะได้ไม่อยากได้ไม่อยากให้เขาเป็นของเรา หลางจากคุณจักกิจจะรู้ได้อย่างไรว่าเราถึงชาวระดับไหนแล้วครับก็ไม่ก็กินข้าวเนอะเรารู้ได้ไงว่าเราอยู่ในระดับไหนนะก็กินมันสิใช่ไหมกินมันเนื้ยมันก็รู้เองเนั่งสมาธิไม่นั่งไม่นั่งถามี่มันจะไปรู้ไงไปนั่งสินั่งแล้วเดี๋ยวก็รู้เองชอบมาถามด้วยของพวกนี้ของที่มันตอบไม่ได้ของที่มันต้องทําเองคําถามจากคุณอนงนาคค่ะ บางครั้งในระหว่างการ น, นั่งสมาธิอยู่ๆก็นึกคําบริกรรมไม่ออกเหมือนต้องเค้นให้นึกคําบริกรรมจะพยายามนึกคําบริกรรมแบบนี้ถูกวิธีไหมคะถ้ามันนึกไม่ออกแล้วมันไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องนึกก็ได้ที่ให้นึกพราะให้หยุดความคิดถ้าเกิดมันไม่คิดอะไรมันเฉยๆมันก็ไม่ต้องไปนึกมันถ้ามันนั่งเฉยๆแล้วไม่เดือดร้อนมันมีความสุข ม, มันไม่ต้องไปพุโทโธ แค่พุโทโธเพราะมันชอบคิดแล้วฟุง้งแล้วก็วิตกกังวลวุ่นวายใจขึ้นมาบางคนนี่จิตอาจจะมีพื้นฐานเดินไปแล้วไม่ค่อยคิดอยู่แล้วพอจะให้พุโทโธพุโทโธมันก็คิดไม่ออกถ้ามันคิดไม่ออกก็ใช้ดูลมหายใจแทนก็ได้ไม่ต้องคิดแสดงว่าจิตไม่ค่อยคิดมากก็ไม่ต้องไปบังคับให้มันคิดให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจไปดูลม หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไปให้มีอะไรคอยกำกับไว้เผื่อเดี๋ยวใจมันจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามันไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุทโธอแต่ถ้ามันพุทโธไม่ออกแต่เวลาเราไปคิดเรื่องอื่นคิดออกนี่สแสดงว่ามันก็เป็นกิเลสแล้ว <hearts> ก็ต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธถ้ถามัพุทโธจะไปคิดถึงกระเป๋าคิถึงรองเท้าคิดถึงเสื้อผ้าอนอย่างนี้ก็ต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธ ถ้ามันไม่ได้อยู่มันไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแล้วมันไม่คิดพูดโธก็ไม่ต้องคิดก็ได้ให้ดูลมไปเฉยๆก็ได้เพราะเพราะมันอาจจะคิดแต่คิดน้อยคิดไม่มากก็ใช้ดูลมเพื่อจะได้หยุดหยุดความคิดที่เหลืออยู่ให้มันหมดไปเพื่อมันจะได้เข้าสมาธิได้อย่างเต็มที่ก็ใช้การดูลมเพ่งไปเพ่งดูลมเพ่งดูสีอะไรก็ได้ที่เราิอยากจะใช้เป็นอารมณ์ควบคุมใจ คุณจักกิดเจริญอสุภกรรมฐานแล้วแต่ไม่สามารถแก้ราคาจลิตได้ควรทำอย่างไรดีครับก็ต้องเจริญต่อไปเหมือนกินยายังไม่ครบยาที่หมอให้มาอย่างกินไม่หมดพิจารณากี่ครั้งกี่ชั่วโมงมันต้องพิจารณาทั้งวันทั้งคืนนอนยืนนั่งนอนเห็นอสุภาตลอดเวลาถ้าเห็นแวบๆนี้เดี๋ยวพอไปเห็นของสวยของงามับลืมอสุภแล้ว ลืมหมดเลยอาการสาเหตุสองไม่รู้หายไปไหนหมดคำถามจากคุณไามอยากเรียนสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของครอาจารย์ในเรื่องของการฝึกแบบพุทโธกับยุคหนอพองหนอมีความแตกต่างกันอย่างไรนอกจากคําบริกรรมและการเข้าถึงสมาธิแตกต่างกันหรือไมค่ครับไม่ต่างกันก็ต่างกันแค่คําบริกรรมนั่นเอง แทนที่จะพุโทโธพุโทโธก็ยุบหนอพพองหนอดูท้องแทนดูลมแทนคำถามจากคุณนิดมีอาการปีติตรงที่ลาคอไม่ค่อยหายทำให้จิตเป็นเอกะขะคาตาได้ยากเหมือนคราวก่อนขอคําแนะนำครับเดี๋ยวไปสนใจให้ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปอยากให้มันเหมือนคราวก่อนยิ่งอยากมันยิงยงย่งเข้าไม่ได้หรือมาดีดไปเสีย ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปสนใจอย่าไปเสียเวลากับมันให้จดจ่ออยู่กับลมอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวยังได้อย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่จริตบางคนจะเอาพุทธโธกับลมก็ได้บางคนเอาลมอย่างเดียวก็ได้บางคนเอาพุทธโธอย่างเดียวก็ได้หมดหรือยังออเอาคำามสุดท้ายคำถามจากคุณนคพ การที่เฉยๆบ่อยๆแล้วยังทุกข์กับความเฉยอยู่แสดงว่ากิเลสมันดีดดิ้นอยากออกจากความเฉยใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่เฉยจริงถ้าเฉยจริงแล้วมันไม่ไม่ดีดไม่ดิ้นมันสุกมันสบายนี่เฉยแบบเฉยเมยมันก็เลยดีดดิ้นก็ไม่ใช่เฉยจริงถ้าเฉยจริงแล้วมันจะไม่เดือดร้อนมันจะไม่วุ่นวายไปกับอะไรแล้วถ้าต้องทําอะไรมันก็ยังทําได้มันไม่ได้เฉยแบบที่เฉยเมยแบบขี้เกียจ